พี่ในวัดหลวงพ่อนี้มีพระจำพรรษาสิบองค์เยอะขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าออกพรรษาแล้วคงจะสึกองค์สององค์ <c oughs> ส่วนมากท่านมาขออยู่ชั่วคราวาขอบวชแบบชั่วคราวนะแล้วท่านไม่สึกกันเราจะไปบอกให้พระสึกนีกอาบัตินะ <c oughs> บอกไม่ได้มีแต่พระจะสึกต้องห้ามนะแต่ถ้าพระอยากมีเมียรเราให้สึกเลยร <c oughs> อยากมีเมียรักศึกไปเนียไม่เสียหายนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าอะไ ร, รไม่พร้อมท่านให้ให้เกียรติกับความเป็นตัวของเรามากเลยตัวของตัวเองเนี่ยคนไหนมีความพร้อมก็มาขอบวชเวลาบวชต้องมาขอใช่ไหมไม่พร้อมหมดเวลาที่จะอยู่แล้วหรือไม่มีความพร้อมมีภาระอย่างอื่นอะไก็มาลาลากับสงฆ์ลากับพระอะไรเงี้ย ตอนนี้จะเป็นคารวาสแล้ท่านไม่ได้ว่าอะไรแต่ก่อนมีพระองค์หนึ่งนะท่านจนก็มาบวชเห็นพวกพระมีข้าวกินมาบวชพอท่านอ้วนนะมีแรงนะท่านก็อยากกลับไปคลองเรือนอีกท่านก็ศึกไปคลองเรือนอยู่พักหนึ่งนะพร้อมเต็มที่แล้วพอ ม, มาบวชอีก <c oughs> ท่านบวชแล้วศึกบวชแล้วศึกอย่างเงี้ยเจ็ดครั้ง ครั้งสุดท้ายเนี่ยคือมาบวชแล้วเนี่ยพระด้วยกันก็ล้อเรื่อยเลยนะว่าเมื่อไหร่จะสึกหล่ะเมื่อไหร่จะสึกหล่ะอะไรเงี้ยวันแล้วนะเมื่อไหร่จะสึกอะไรเงี้ยท่านอายท่านภาวนาบรรลุพระอรหันต์เพื่อนๆก็ถามเอ้าทำไมรอบนี้อยู่นานกว่าทุกทีถึงเวลาสึกกลับไปหามเมียแล้วนะท่านบอกว่าท่านไม่มีความคิดที่จะสึกอีกแล้ว เพศคารวาสไม่เหมาะกับท่านพระสมัยพุทธการขี้ฟ้องนะองค์นี้พูดงี้ปุ๊บรีบไปบอกพระเจ้าเลยนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปนี้วดอุตริมนุษยธรรมไม่มีในตนถ้าอ่านพระไตรปิฎกเนะี้ยจะรู้พฤติกรรมลักษณะ น, นิสัยนะ่ะใสแขกชขี้ฟ้องมากเลย เต็มไปหมดเลยนะใ น, ใ, นในพระไตรปิฎกเรื่องเรื่องฟ้องเนี่ยพระเจ้าก็เรียกมาถามว่าไม่ศึกแล้วหรออะไรเงรี้ยไม่ศึกแล้วนะพระเจ้าประธานสาธุการอางนี้มารู้พระอรหรันต์าไม่คิดจะศึกหรอกพรนะานาักโจทย์อาบัติใหจจ่อยไปนะแต่หมายพุทธการถ้าเราไปอ่านพระไตรปิฎกนะสนุกนะ มันมีชีวิตชีวาไม่ใช่นักสือที่แห้งแรงอย่างที่คิดหรอกยังมีพระเราได้ยินชื่อพระดีๆเยอะเลยใช่ไหมพระเหลวไหลก็มีนะไม่ใช่แค่เทวทัตหรอกเทวทัตเนี่ยเข้าขั้นเหลวไหลจะมีพระเหลวไหลอ ย, อยู่กลุ่มหนึ่งเนระียกพระฉับพักขีฉับพรกขีคล้ายๆปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ว่าพวกหมู่ห้ามีห้าองค์ฉับพักขีพวกหมูห่หมากกว่าปัญจวัคคีย์ พวกนี้นะพระพุทธเจ้าห้ามอะไรก็ไม่ทําแต่จะริเริ่มตลอดเวลาเลยว่าทําไงจะตะแบงมันได้นะท่านห้ามอย่างนี้ไม่ทําพลิกนิดนึงไปทําอย่างนี้อย่างเนี่น ะ, นะเป็นต้นบัญญัติพระวินัยนะีมากเลยนับว่ามีอุปการะคุณ <c oughs> <c oughs> เป็นต้นต่อของพระวินัยนี่พี่ียบเลยเนี่ยเขาก็อยู่ของเขาได้นะ แต่อันไหนพอท่านห้ามปุ๊บไม่ทนะําล้วจะไปทําอย่างอื่นวันดีคืนดีก็ทําถือร่มแบบครืหัดนะมีชายคุยสวยงามอะไรเงี้ยเดินกรีดกรายไปมาไม่รู้ท่านเป็นตุด๊ดเป็นแต่หรือเปล่านะแต่ว่าสวยงามคุยว่าเจ้าห้ามท่านก็ไม่ใช้อะไรเงี้ยนะใส่รองเท้าสวยๆคุวยว่าเจ้าห้ามท่านก็ไม่ใช้่จะจะรีเริ่มตลอดเวลาเลยนะ พวกเราเรียนกับหลวงพ่ออย่าดีเริ่มมากขนาดนั้นนะสอนไว้ไหวอลองไปอ่านดูนะมีชีวิตชีวามากเลยสนุกนไม่ไกลัวแต่ว่ามีศัพท์ธรรมามากฟังแล้วกลัวไม่รู้เรื่องก็อ่านผ่านๆก่อนภาวนาไปเดี๋ยววันหนึ่งก็รู้สนุกสนุกมีเรื่องแปลกๆมากมายคู่มือหากินของพระมีอยู่ชุดหนึ่งนะพวกเราไปอ่านได้ ชื่ออัตถะถาธรรมบทภาษาบาลีเขาเรียกว่าธรรมปรทัตกถาคือธรรมธรรมบทธรรมประทะเนี่ยรรแล้วก็ต่อ ด, ด้วยอัตถกถาเรียกเรียกธรรมปรทัตกถ า, ามีนิทานเยอะนะมีลูกมีหลานนะซื้อไปให้มันอ่า น, นให้มันอ่านไว้เป็นนิยายสนุกนมันอ่านามันจะได้คุ้นกับธรรมะบ้างทุกวันนี้มันอ่านอะไรบ้าบาอคอยแตก เล่นเกมก็เล่นเกมโหดร้ายทารุณฆ่ากันยิ่งฆ่าได้มากยิ่งดียางงี้นะถ่ายทอดสิ่งที่ไม่ดีให้เด็กพวกเราลองไปอ่านดูบ้างนะเรื่องอัตถกธาถารรมาบทมีแปดเล่มเท่านะั้นเล่มเท่าพ็อกเก็ตบุ๊กเต็มไปด้วยนิยายถ้าอ่านแล้วรู้เลยว่าเวลาพระมาเทศแล้วเล่านิทานนะมาจากนี้ทั้งนั้นแหละอ่านดูแลจะรู้ว่า คนที่เขาปฏิบัติธรรมนะละเมียดละไมจิตใจดีงามสร้างบารมีกันผ่านอุปสรรคต่างๆกันต่อสู้มากมายไม่ใช่เราลำบากคนเดียวหรอกนะเราภาวนาล้วบอกยากยากท่านอื่นยากกว่าเราอีกไปอ่านดูมีองค์หนึ่งจะเข้าพรรษาอย่างวันเนี้ ว, วันเข้าพรรษา ท่านก็อธิษฐานเลยว่าท่านจะไม่นอนตลอดพรรษานะมีองค์หนึ่งไม่นอนทั้งพรรษาเลยปรากฏ ว, ว่าพอเข้าพรรษาไปสักอาทิตย์เดียวนะเป็นโรคเจ็บตาเจ็บตาท่านก็ไม่นอนอยู่นั่นแนหะญาติโยมมาเห็นท่านเจ็บตาหาหมอมารักษาหมอก็ดูแล้วก็ผลิตยาให้นมาปรุงยาให้ท่านผ่านไปอาทิตย์หนึ่งนะแย่กว่าเก่าอีก การสุดลงอีกหมอถามว่าเวลาท่านหยอดตาท่านหยอดท่านไหนลงนั่งหยอดมันไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่หรอกหมอบอกไม่ได้ไม่ได้อันตรายมากนะท่านต้องนอนหยอดนะท่านก็นิ่งๆนะหมอไปแล้วท่านก็นั่งหยอดของท่านอีกอีอาทิตย์หนึ่งผ่าตดไปนะหมอมาดูอีกแล้วแย่กว่าเก่านี่ท่านนอนหรือเปล่าบอกไม่นอนงั้นต่อไปนี้ผมไม่รักษาท่านแล้วนะเพราะว่าท่านเดื้อ ถ้ารักษาแล้วท่านตาบอดเนี่ยผมเสียชื่อนะหากินยากต่อไปไม่รักษาแล้วท่านก็ไม่ว่าอะไรไม่รักษาก็ไม่ว่าอะไรนะท่านก็มาพิจารณาว่าหมอเขาทิ้งเราแล้วถึงเวลาที่เราต้องช่วยตัวเองช่วยตัวเองของท่านต้องไม่เสียสัจจะท่านภาวนานลยภาวนาภาวนาไปในตาําราบอกว่าตาของท่านน่ะแตก พร้อมๆกับการบรรลุพระอรหันต์ตาบอดน่าจะพวกต้อหินนะน่าจะพวกต้อหินน่ะคนเลยเรียกท่านว่าพระจักขุบาลพระจักขุบาลผู้รักษาตาท่านเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งคราวหนึ่งอยาไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะให้หลานชายเนี่ยจูงไม้เท้ามันท่านจับไม้เท้า เขาก็จูงไปรระหว่างทางเขาไปทำความไม่ดีท่านก็ไล่เข้าไปท่านก็เดินมาไม่ได้ท่านไม่ยอมร่วมทางกับคนชั่วถึงตาบอดที่จะต้องไปตายหลงตายในป่าอะไรก็ไม่ยอมน่าดูนะถัดจางนี้ก็แอนแอนพระอินทร์มาช่วย <laughs> พระอินทร์มาพามาอยู่วัดหาพูดเอเจ้าได้ไม่เจ้าให้ที่อยู่ ตาบอดจะเดินชงกลมทุกวันให้คนช่วยทำทางชงกลมให้เดินเดินเดินเป็นพระรหัแล้วก็ยังเดินอยู่มาแรงเมามั้มาเกาะทางชงกลมท่านไม่เห็นท่านเหยียบเหยียบมันตายเยอะๆเลยพระแขกมีพฤติกรรมแบบไหน <laughs> <laughs> ไปฟ้องฟ้องคุณพระเจ้า แต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้นี้ประพฤติลา ม, มกนะตาบอดมาเหยียบมาแรงเมาตายเยอะแยะเลยนะตอนตาดีๆก็ไม่รู้จักภาวนาตาบอดแล้วมาภาวนา <c oughs> รู้ว่าท่านเป็นพระอราหันนะีแทบช็อกเลยพรนะเจ้าบอกว่าตอนที่พระจากคูบาลเหยียบแมงเมาอ่ะนะท่านเห็นไหมพระที่ฟ้องเนี่ยผมไม่เห็นหรอก ท่านบาปไหมไม่บาปผมจะเป็นบาปเลยผมไม่เห็นด้วยพระจากกูบาลก็ไม่เห็นเหมือนกันบอกใจที่คิดเบียดเบียนผู้อื่นแม้แต่นิดเดียวนะั้นก็ไม่มีหรอกเนะี่ยจะมีธรรมะแบบนี้นะหน้าอ่านหน้าฟังเยอะเลยบางเรื่องหน้าอ่านแล้วอู้ซาบซึ้งมากปีติมากเลยอย่างพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งคอยสืบข่าวว่ามีข่าวอะไรสําคัญสําคัญ พอพ่อค้ามาบอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนะพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วในโลกนะท่านปีติมากเลยท่านทิ้งเมืองเลยนะทิ้งทรัพย์สมบัติลูกเมียทิ้งหมดเลยขึ้นม้ารีบไปเฝ้าพุทธเจ้าเลยขี่ม้าลุยข้ามแม่น้ําเลยนแล้วก็ให้พ่อค้าเนี่ยไปรับรางวัลจากพระมเหสีพระมเหสีรู้ว่าพระราชาหนีไปแล้วถามพ่อค้าว่าไปบอกอะไร บอกว่าพุโทโธโลเกวุปนโนทำโมโลเกอุปันโนสังโฆโลเกวุปนโนพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระธรรมพระสงฆ์อุบัติขึ้นแล้วในโลกพระมาเหสีแทบช็อกเหมือนกันนะทิ้งทุกอย่างเหมือนกันนะติดตามพระสวามีไปเลยที่จริงไม่ได้ตามพระสวามีจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าสอ ง, องนี้บรรลุพระอรหันต์นะเป็นพระอรหันต์ชั้นเลิศเลยอ่านแล้วหูยมันมากเลยนะ นี่โฆษณาหนังสือนะไม่ได้พิมเองหรอกของมหามมฆวดมหาอ่เนะชุดหนึ่งไม่กี่ตังค์หรอกนะขายถูกๆเนี่ยลองไปซื้อให้ลูกหลานอ่านนะลองดูอ่านแล้วจิตใจมันได้อ่อนโยนบ้างไม่งั้นมันฆ่ากันแหลกร้านเอาใครจะคุยอยูหลวงพ่อเชิญให้พวกอยู่วัดก่อนอย่าลืมนะคุยอยู่หลวงพ่อได้เรื่องเดียวนะ เรื่องการปฏิบัติของตอนเองเนี่ยการคุยกับหลวงพ่อโยมติดบังคับตัวเองค่ะหลวงพ่อเรารู้ทันว่าบังคับมันก็พอนางเราไปะจะค่อยคลายทาไมบังคับอยากดีอยากรู้ชัดๆอยากรู้ตลอดเวลาอยากดีเร็วๆก็จะเป็นบังคับธรรมดาเป็นทุกคนนะเน่ยเบื้องต้นตึงทุกคนนะเป็นธรรมดาของนักปฏิบัติแล้วพอรู้ทันก็คลายออกก็พอดี ก็เห็นถึงความอยากดีที่มันจริงมันเป็นการปรุงแต่งที่เราเห็นไม่ทันนะคะก็เห็นไปดูเมื่อคืนก็ดูทุกทีรู้สึกตัวไม่เคยเห็นตัวเองน่าเกลียดอย่างนี้คราวนี้มันไปเห็นรายละเอียดเล็กๆที่มันดูน่าเกลียดมันซ่อนค่ะมันซ่อนดีคือที่ผ่านมานะมันมันอยู่แค่เนี้ยมันจะไปไม่ได้จริงหรอกนะ การนั่งสมาธิเยอะๆไม่ได้ช่วยอะไรจริงหรอกอยู่ที่การเจริญปัญญาคือรู้เท่าทันตนเองอย่างแท้จริงคล้ายๆเปิดเปลือกของตัวเองลอกเปลือกตัวเองไปเรื่อยน่าเกลียดมากอรู้สึกตัวทุกทีก็ไม่เคยเห็นความน่าเกลียดเพราะมันจะมันก็จะดับไปเลยใช่แต่เมื่อวานนี้เห็นน่าเกลียดยิ่งภาวนานะจะรู้เลยว่าหานางมารร้ายไม่ต้องหาที่อื่นหรอกอยู่ตรงนี้เองนะ แล้วภาวนานะมันจะคล้ายๆลอกเปลือกตัวเองออกลอกเป็นชั้นชั้นช้นโอ้ยความเลวร้ายของเรานะซับซ้อนมากเลยซ่อนเร้นเอาไว้เยอะพอลอกลอกเหมือนลอกต้นกล้วยนะลอกถึงที่สุดจะไม่มีอะไรจะเข้าถึงความจริงแท้ที่ว่าทุกอย่างนั้นว่างเปล่าหรอกไม่ได้มีตัวมีตนที่แท้จริงต้นกล้วยนึกว่าเป็นต้นไม่มีต้นหรอกลอกไปเรื่อยไม่มีอะไรเหลือเลย รับขอบ้อการหลวงพ่อครับก็เมื่อวานหลวงพ่อเตือนเรื่องการน้อมไปในเรื่องต่างๆนะครับพยายามสร้างสภาวะตอนนี้ก็พยายามลดลงแล้วก็ภาวนาพุโทโธในในจกือบๆทุกเวลาลองลองดูครับว่าพุโทโธเนี่ยบางครั้งตอนฟังหลวงพ่อผมก็ลองภาวนาดูแต่ว่าเหมือนว่ามันมีเสียงซ้อนเสียงครับหรือว่ามันมีช่วงที่ขาดผมไม่แน่ใจว่ามัาสะดุดเล็กน้อยครับไม่เป็นไรนะใหม่ๆบางทีใจมันยังไม่ชินกระโดกกระเด่นบ้างไม่เป็นไร คือทําให้มันเด็ดเดี่ยวไปเลยนะถ้าจะพุโทโธครูบาอาจารย์นะพุโทโธฝักเป็นฝักตายกับพุโทโธเลยนะหลวงตามหาบัวเคยบอกหลวงพ่อบอกว่าต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเองตรงนี้สําคัญมากนะอะไรๆสู้บริกรรมไม่ได้เนี่ยหลวงตาท่านว่าอย่างนี้หลวงพ่อก็มานึกเอ๊ะทำไมท่านให้บริกรรมอ๋อจิตของเราเนี้ยไม่ตั้งงั่นไม่ถึงฐานจริง ไปถามท่านว่าเอผมปฏิบัติพ่อแม่ครัวอาจารย์สอนให้ผมดูจิตทุกองค์นะองค์ไหนเข้าไปหาองค์ไหนก็ให้ดูจิตดูจิตเหมือนกันหมดเลยนี่ผมดูจิตมันก็เจริญอยู่ช่วงนะช่วงหลังๆนี่แปลกดูจิตแล้วมันก็คงที่อยู่อย่างเงี้ยเป็นปีเลยท่านมองหน้าวับท่านก็บอกเลยว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วตรงนี้สําคัญนะต้องเชื่อเรานะอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้เนี่ยแต่ท่านไม่ได้บอก รายละเอียดนะท่านจะบอกกว้างๆอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็มานั่งดูตัวเองว่าเอ๊ะท่านว่าเราดูไม่ถึงจิตแล้วให้บริกรรมแล้วลองบริกรรมดูพุทโธพุทโธใจเหมือนจะแตกใจไม่เอาพุทโธ ร, รู้สึกหยาบไปโอ้ยท่านให้พุทโธเนี่ยเพื่อว่าจะให้ได้ใจเข้ามาถึงใจจริงๆแล้วเราใช้ลมหายใจก็ได้เราถนัดรู้ลมหายใจ พอหายใจเข้าหายเจออกแป๊บเดียวนะจิตรวมเข้ามานะโอ้ยที่ผ่านมานะจิตไม่เข้าบ้านหรอกจิตไปว่างสบายอยู่ข้างหน้าดวงตามหาบัวมอจิตที่ว่าดูจิตะดูไม่ถึงจิตแล้วนะอย่างเงี้ยนี่นเราพุโทโธฝากเป็นฝากตายกับพุโทโธไปก็ได้พุโทโธแล้วรู้ทันจิตไม่ใช่พุโทโธแล้วไปทำอะไรจิตนะไม่ใช่พุโทโธแล้วก็ททำย่ายีจิตไม่ใช่ พุทโธเรารู้ทันจิตนีไปเรารู้จิตนี้เรารู้พุทโธแล้วจิตเป็นทุกข์ก็รู้จิตเป็นสุขก็รู้นะสงบพอรู้ฟุ้งซ่านก็รู้พุทโธเรารู้จิตไปนั่นแหละเรียกว่าพุทโธเป็นที่ต้ยเคยได้ยินชื่อจันบุญจันทร์มจันบุญจันท์เคยสอนหลวงพ่อนะว่าพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจใช่ไหมเคยได้ยินไหมอ๋อพุทโธก็คือใจเรานี่เองพุทโธแล้วคอยรู้ทันใจของเราไปนะถึงจะเรียกว่าพุทโธเป็น คุณแม่จันดีเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าท่านพุโทโธแล้วจิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนรู้ถามว่าท่านรู้อะไรท่านรู้จิตนะไม่ใช่รู้พุโทโธพุโทโธเป็นแบ็กกราวน์เท่านั้นเองเพื่อจะรู้ทันจิตนะเหมือนเราเกี่ยวเบ็ดนะโยนลงไปในน้ําพุโทโธก็เหมือนเหยื่อที่ใช้ตักปลาแนละเนะี่ยจิตของเราคือปลาเราไม่ได้กินเหยื่อเราจะกินปลานั้นรู้ทันไปโยนลงไปแล้วปลามาเราก็รู้ปลาหนีไปเราก็รู้นะ ปลามาที่นี่ก็รู้ปาไปโน่ปลาคูบเหยื่อเราก็รู้ครับเมื่อวานที่หลวงพ่อแนะนําให้ดูกายขณะที่นั่งสมาธิครับอืก็ตอนหัวค่ําก็ได้ลองขยับมือก็ก็ดีขึ้นนะดีขึ้นครับตอนแรกก็ทําแบบไม่ขยับมือนี่แป๊บเดียวก็ล่วมใช่ครับแล้วพอขยับมือก็ดีขึ้นแต่ว่าทําไปสักพักก็ไม่ไหวก็ขณะขยับมือก็ยังก็ยังไหลลงไปก็เลยมาเดิน <ừ> um. เดินจงกรมเดินได้พอประมาณกลับไปนี่ไวขึ้นครับพอไหลไปปุ๊บนี่รู้สึกตัวนะนั่นต้องอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ให้ไหลนะฮะเออแต่ไหลแล้วรู้ไวไวก็จะรู้สึกตัวเร็วขึ้นแล้วก็จังหวะที่รู้สึกตัวเนี่ยครับน่าจะเป็นตุกแกเกาะเกาะกระจกข้างหลังด้านหลังเนี่ยก็จะรู้สึกว่าทั้งกายทั้งจิตนี่แวบไปหากระจกอันนั้นเลยเลครับแวบไปหาตุกแก่หรอกไม่ใช่หาแวบไปหาตุกเ <ừ> um. ครับประมาณนั้นนะครับเนื่อถ้าเกิดตอนนั้นเป็นลมตายปุ๊บนะ เป็นกแก่เออไปไปไข่ทุกแก่ <c oughs> ครับข้อมีกันบ้านอะไรฝากที่ทำในวันนี้ใช้ได้เลยนะดีแล้วจิตตื่นจริงๆแล้วแต่อย่าไปประคองนะจิตที่รู้ตัวจิตที่ตื่นเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยมีสองลักษณะลักษณะหนึ่งเนี่ยมันแข็งแข็งเราไปประคองไว้ผิดธรรมชาตนะิจงใจจะรู้สึกเนี่ยจะผิดเลย อีกลักษณะหนึ่งนะมันอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวเปาเบิกบานเนะ น, นี่ยอันเนี้ยเราไม่ได้เจตนาให้มีมันมีเองมันเกิดจากจิตไหลไปแล้วเรารู้มันจะเข้ามาเองเพราะฉะนั้นะเราไม่ไปประคองตัวรู้ให้แข็งแข็งนะเอาต่อไปใครจำเป็นจะคุยกับหลวงพ่อขอจำเป็นจริงๆนะถามเยอะไม่มีประโยชน์หรอกมันคิดมากก็ถามมากนะนักปฏิบัติจริงๆปัญหาไม่เยอะหรอก มันไม่ได้ปฏิบัติครับถามไปเรื่อยๆแล้ไม่เคยทําเลยปัญหาไม่จบเคยบวชแล้ว ก, ก, ก็ฝึกสมาธิก็ฝึกสมาธิอย่างเดียวแล้วก็ได้ไปฝึกแยกรูปแยกนามแยกขัดแยกขันต้องอย่างนั้นสิแล้วจิตมันก็เหมือนหลุดหลุดออกไปทีหนึ่งไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเหมือนกันครับก็จิตมันมันแยกออกมาจากขันนะครับมันเป็นคนดูแต่ตัวนั้นยังไม่ใช่มรรคผลนะครับ จิตที่มันตั้งตัวพรากออกจากขันเป็นจุดตั้งต้นที่จะเดินปัญญาจริงๆพอมันแยกตัวออกจากขันแล้วไม่จะเห็นขันทำงานเห็นร่างกายมันทำงานไม่ใช่เราอีกต่อไปครับสุขทุกข์ดีชั่วมันทำงานนะไม่ใช่เราอีกต่อไปแล้วแต่ตอนนี้ตอนนี้ไม่เป็นแล้วเนาะแล้วไงล่ะคือแล้วตอนนั้นก็ภาวนาไม่เป็นครับเจริญปัญญาไม่เป็น ก็ก็เลยกิเลสก็หลอกให้สึกออกมาอีกครับเสร็จแล้วก็ออกมาเมื่อสักสองสามปีก่อนก็ได้ฟังซีดีหลวงพ่อครับก็เลยเริ่มที่ติดทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งหมดก็เลยพอเริ่มเข้าใจครับนะแล้วก็ในเมื่อพรรษาที่แล้วพรดีจิตมันเหมือนคนเล่นตะก้อครับรับเองฝั่งหนึ่งแล้วมันก็วิ่งไปเสิร์ฟอีกฝั่งหนึ่ง หลังจากนั้นมาก็เลยเริ่มเริ่มกลับมาเห็นอ๋อมันทํางานมันเองครับใช่ดูมันเห็นมันทํางานไปแต่จิตที่เป็นคนดูเนี่ยมันต้องตั้งมั่นนะต้องถึงฐานจริงๆการเดินปัญญาเนี่ยถ้าเดินรวดไปโดยที่จิตไม่ถึงฐานใช้ไม่ได้จริงหรอกมากผลไม่เกิอดออกตอนนี้จิตไม่ถึงฐานนะครับงั้นคอยรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนไปไม่บังคับไม่ได้ห้ามเคลื่อน เคลื่อนเรารู้พุโทโธพุโทโธก็ได้นะพุโทโธพุโทโธจิตเคลื่อนไปเรารู้หายใจหรือจิตเคลื่อนเรารู้ไม่ประคองนะทําอย่างนี้ให้มากเพิ่มพลังของสมาธิที่ดีก่อนพอนะเพิ่มพลังสมาธิให้ดีแล้วมันจะเห็นในรูปนามกายใจมันจะแตกตัวแยกออกไปนะมันแยกได้เพราะสมาธิเราพอสมาธิที่ถูกนะสมาธิผิดมันไม่แยกเลยจะรวมเป็นก้อนเดียวกันเลย พอสมสาธิพอมันแยกแยกแล้วมันก็เห็นมันต่างคนต่างทํางานมันทํางานของมันได้เองจะเห็นด้วยตัวของเราเองเลยเห็นไปเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีใจมันก็ทราบซึ้งรู้เลยว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวเราเฝ้าเพียรพยายามเฝ้าปรับจิตให้ถูกก่อนเพราะฉั้นบทเรียนที่พระเจ้าสอนนั้นละเมียดละไมามากเลยสอนเป็นลําดับสอนเรื่องศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขา จิตศิกยาก็คือการคอยรู้เท่าทันจิตตนเองนี่แหละทกรรมาฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้เท่าทันมันจิตมันไหลไปคิดเราก็รู้ไหลไปคิดเราก็รู้ไม่ห้ามถ้าห้ามเมื่อไหร่ก็แน่นมืนนะ่นั้นหน้าตาก็เครียดมันไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสภานะวนาไปนะดี กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อกลัวไหมกลัวกลัวทําไงดีดูค่ะเออเนี่แสดงว่าฟังมาแล้วกลัว ร, <จ><บ>รู้ว่ากลัวตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นตื่นเต้นมันอันหนึ่งนะแล้วไปกลัวมันตื่นเต้นไปกดมันไว้มันก็เลยผิดปกติไปตื่นเต้นก็ได้นะดีใจก็ได้เสียใจก็ได้แต่มันเป็นยังไงเราแค่รู้เราไม่เข้าไปแทรกแซงนี่พอเราตื่นเต้นแล้วเราแทรกแซงตัวนี้ดูออกไหม พยายามไปกดไว้ไม่ให้ตื่นเต้นเนะี่ยมันจะแทรกแซงใจมันจะแน่นแน่แข็งทื่อไม่มีความสุขให้รู้ทันเอารู้ทันตรงนี้เป็นแล้วต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในจิตใจก็รู้ไปเรื่อยนะก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างผ่านเข้ามาในใจเราเนี่ยล้วนแต่ของชั่วคราวทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วมาแล้วก็ไปหมดอันนี้ก็เห็นอยู่แล้วใช่ไมค่ะเออนั่นแหละทาถูกแล้วละ่ะแล้วก็ คือหนูรู้สึกว่าในทางธรรมกับทางโลกคือกลับกันนะคะตรงที่ว่าอย่างบางทีในทางธรรมเนี่ยคือต้องรักษาศีลใช่ไหมคะมแต่ในทางโลกที่เราทำงานคือลูกค้ามาเยงนี้ให้เราเขียนบินเกินจริงะะองนี้ค่ะเราใจเราไม่อยากแต่ว่าในทางโลกคือเราก็ต้องทำไปจะมีผลในการปฏิบัติของหนูเนีเรายอย่างนั้นเราวา ง, วางใจนะ เราก็กำหนดจิตลงไปว่าอ๋อลูกค้าให้เขียนอย่างนี้เราไม่ได้พลอยยินดีกับเขา mm hmm. แล้วโทษมันก็น้อยลงหน่อยถ้ากระยิมยิ้มย่องเกินแล้วเธอยอมาแบ่งฉันบ้างนะมีนะบางคนอะไปทำบุญแสนหนึ่งขีวัดขอใบปรนนาล้านหนึ่งไปลดภาษีได้ตั้งสี่แสนอย่างเงี้ยมีหากินอย่างเงี้ย แต่หากินที่วัดนี้ไม่ได้นะใครขอใบพรณาหลวงพ่อมักจะถามว่าไปทำที่อื่นได้ไหม <c oughs> ชี่เกียเขียนเราทำบุญเนาะให้เต็มที่ไปเลยเนาะทำแล้วขยึกขยักจะเอาน้นตอบแทนอนะไรเงี้ยบุญของเราก็าพล่องไปก็ขอการบ้านไปทำอีกทำถูกแล้ว <c oughs> ทำบ่อยๆต้องเข้มแข็งนะ แล้วต้เข้มแข็งอะไรเกิดขึ้นรู้อะไรเกิดขึ้นรู้ไม่ท้อถอยนะเมื่อก่อนนะหลวงพ่อก็เป็นคลราชนะทำงานอย่างนี้แหละก็ลำบากแบบที่หนูเจ อ, องเงี้ยนั่งทำงานนั่งติดกับโต๊ะหัวหน้าหัวหน้าก็สั่งเลยวันนี้พี่จะรีบทำงานนะใครโทรมาเธอบอกว่าพี่ไปประชุมนะหูให้เราโกหกเราก็ถือศีลมาตั้งนานแล้วเนาะ อคนโทรมากรี๊งก็จะพูดกับหัวหน้าแล้วก็พูดเบาๆหัวหน้าสั่งว่าไปไประชุมครับ <laughs> <laughs> ในมหาภารตะยุทธนะในมหาภารตะยุทธนะ์มีจอมทัพฝ่ายธรรมะนะชื่อยุทธิสถิระคนไทยชอบเรียกว่ายุทธิสเียนยุทธิสถิระเนี่ยเป็นคนมีสัจจะ นั้นบารมีแก่กล้ามากเลยถูกอีกฝ่ายหนึ่งเป็นญาติญาติกันในโกงบ้านโกงเมืองแล้วพวกนั้นพักพวกเยอะคล้ายๆพวกทรชนนะเอาเงินจ่ายก็หาพักพวกได้เยอะแยะเลยนี่ไม่มีอะไรต้องทําสงครามกับคนซึ่งกําลังมากกว่าทั้งเยอะแต่บารมียุทธิศติระเนี่ยสูงเวลาขี่รถสึกนะรถจะลอยเหนือพื้นอยู่คืบหนึ่งล้อรถเนี่ยไม่ถึงพื้นแล้วมันจะลอยไป ใ ค, ใครเห็นก็กลัวไม่ค่อยกล้าสู้ด้วยวันหนึ่งแม่ทับอีกฝ่ายหนึ่งนะเป็นอาจารย์ของยุทธิสุติระเองที่อาจารย์โทรณนะอาจารย์ความจริงแกเป็นอาจารย์ทั้งสองฝ่ายเลยแต่ว่าจับพระจับผู่ต้องมาเป็นแม่ทัพให้ไอ้ฝ่ายทรชนแกออกมารบเนี่ยพวกฝ่ายธรรมะเนี่ยสู้ไม่ไหว พวกลูกศิษย์เองฝีมือดีนะแต่เจออาจารย์ก็ต้องคอยถอยถอยถอยด้วยความเคารพอาจารย์สู้ไม่ได้นะเขาก็เลยออกอุบายอาจารย์นี่แกมีลูกชายอยู่คนฝ่ายธรรมะนี่นะมีคนหนึ่งบุ่มบาบหน่อยนะชื่อพีมาเสนมันก็เอาลูกกระบองนะไปตีช้างตัวหนึ่งช้างของตัวเองอนะ่ะช้างนี่ชื่อเหมือนลูกอาจารย์ ตีช้างนี่ตายแล้วก็ตะโกนสุดเสียงเลยว่าไอ้คนนี้ตายแล้วอาจารย์ได้ยินว่าลูกตายนะก็หมดเรื่ยวหมดแรงเลยมีลูกคนเดียวอย่งนแต่อาจารย์ก็ฉลาด ก, ก็ทดสอบอาจารย์ถามอะถามที่สถิลาเลยว่าชื่อเนี้ยตายแล้วจริงหรือเอ่ยชื่อลูกชายนะ สมมติว่าชื่อชื่อลูกชายชื่อประสานน ะ, ะช้างชื่อประสานเนี่ยถูกตีตายไปอาจารย์โทลานะก็ถามยุทิศถิลัว่าประสานตายแล้วเหรอเนี่ยยุทิศติลกัก็ตายแล้วครับก็พูดเบาๆแต่เป็นช้างนะ <c oughs> อาจารย์ได้ยินอาจารย์วางธนูเลยนะลว่าถูกอีกฝ่ายลูกศิษย์ฝ่ายธรรมะยิงอาจารย์ตายไป พายุที่สถิละบอกว่าตายแล้วแต่เป็นช้างนะรถศึกนี่ตกลงกระแทกพื้นเลยตั้งแต่นั้นเนี่ยรถก็วิ่งเหมือนรถคนอื่นเลยเพราะเสียสัจจะสนุกไหมวันนี้มีนิทานย <c oughs> เยอะไปพอะนาวนะเป็นคราวาดยังไงรถก็ติดพื้น <c oughs> เป็นฆราวาสจะรักษาศีลให้สะอาดหมดจดนะเหมือนหอยสังที่ขัดไว้สวยงามดีแล้วยากที่สุดเลยในการรักษาศีลเนี่ยต้องประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาถนะึงจะรักษาได้แล้วนะแต่จะรักษาทั้งด้วยสติด้วยปัญญาแล้วก็ตามนะในเพศของฆราวาสเนี่ยความด่างพลอยนะเกิดขึ้นได้ง่ายป้องกันยากนะเราทําใจซะยังไงก็ต้องรับกรรม อย่างน้อยขับรถไปไหนรถก็ยังติดถนนก็ดีแล้วนี่เนาะขอส่งว่ า, วามาตื่นเต้นเหมือนกันห้แก่ป่านนี้ยังจะตื่นเต้นอีกเปนขนาดพยายามแต่งกันบ้านอยู่นานนะหลวงพ่อครับคือมันเริ่มก็ก็เห็นตัวเองที่แบบมันค่อยๆปอกเปือกไปมันซับซ้อนมากเลยค่ะ เด่นนี้ดีขึ้นเยอะแล้วนะเห็นไหมมันร้ายจริงๆนะร้ายมากเลยค่ะร้ายโคตรๆเลยแหละมันแอบเอาความชั่วเก็บไว้ตรงนู้นตรงนี้โดยที่เราไม่เห็นเยอะเลยใช่แล้วมันแต่งฉากนะให้ดูดีด้วยนะเป็นทุกคนแหละเราลอกเปลือกตัวเองนะเหมือนปอกหัวหอมไปเรื่อยก็ได้ปลอกต้นกล้วยไปเรื่อยดูไปเรื่อยจนเจอตัวจริงค่ะเราต้องทําอะไรเพิ่มอีกไหมคะดูบ่อยๆนะซื้อตรง ขอโอกาสนะครับเนีช่วงนี้ดูไม่ค่อยออกอะครับอือดูอะไรไม่ออกออดูคือถ้าดูจิตไม่ออกดูกายนะเนี่ยเห็นร่างกายพยักหน้าเห็นร่างกายพนมมือนะครับขันก็แยกเป็นแล้วล่ะแต่ว่าบางช่วงเนี่ยการพาวนาเป็นทุกคนนะบางช่วงก็เจริญบางช่วงมันก็เหมือนเสื่อมบางช่วงเนี่ยถึงขนาดเหมือนกับปฏิบัติไม่เป็น อนนี้เป็นทุกคนเลยนะครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนี้เลยนะเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ต้องตกใจปฏิบัติดูจิตไม่ได้ให้ดูกายไปเลยถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ดูไม่รู้เรื่องไม่รู้จะปฏิบัติยังไงก็พุทโทรไปหายใจไปทําสมถะเลยนะสมถะเป็นปราการด่านสุดท้ายของนักปฏิบัตินะแล้วถ้าดูไม่ออกแล้วทําสมถะก็คือทำไปเรื่อยๆเลย <ทำ S 2> <ๆ S 1> ใช่มครับทำไปเรื่อยๆสงบเพราะช่างไม่สงบเพราช่างทําอย่างเดียว บบไม่ต้องสนใจอะไรไรม่มนสนใ จ, ใจว่ามันจะดีไม่ดีนะแต่สนใจกรรมฐานของเรานะก็พุโทโธพุโทโธไม่ลืมมันเพราะคุณอ่ะมันจะเป็นเองบางช่วงนะให้เก่งแค่ไหนนะบางช่วงมันเหมือนภาวนามไม่เป็นหลวงพ่อนะตอนนั้นบวชได้สักพรรษาที่สามแล้วในพรรษาที่สามเนี่ยวันหนึ่งตื่นขึ้ น, นมาเฮ้ยเขาภาวนากันยังไงวะภาว น, นามไม่เป็นแล้ว แล้นนขนาดพานามาตั้งหลาย10ปีแล้วนะถึงจุดหนึ่งมันพานามไม่เป็นนะอ่ะภานามไม่เป็นทํำยังไงดีก็หายใจไปช่างมันไม่เป็นก็ช่างมันหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อยรู้สึกตัวไปเรื่อยนะพอจิตมีแรงปุ๊บกลับมาได้ mm hmm. เป็นทุกคนไม่ต้องกลัวหรอกอาจารย์มหาบัวกขบอกเป็นทุกคนอานะจารย์สิงห์ทองหรืออท่านก็พูดนะจิตมีธรรมชาติเจริญแล้วเสื่อมเป็นธรรมดา ที่ภานาอยู่ดีมากๆเลยนะจะทําอีกคุ้มากครับนามัสการครับอาจารย์ผมมาจากกําแพงเพชรครับเห็นกายกับใจเป็นโคนละอันยังพอเห็นได้บ้างครับนะเห็นถูกแล้วนะครับกายกับใจก็คนละอันความสุขความทุกข์กับกิเลสทั้งหลายก็โคนละอันกับใจดูออกไหมพอดูออกได้บ้างครับนะนั่นหัดรู้บ่อยๆหัดดูบ่อยๆนะจนเห็นเลยกายกับใจโคนละอันความสุขความทุกข์กุศลอกุศลก็โคนละอันกับใจ ดูบ่อยๆดูไปเพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นเลยว่าทุกอย่างมันทํางานของมันเองร่างกายก็ทํางานของมันได้เองจิตใจความสุขความทุกข์มันก็มาเองไปเองกิเลสมันก็มาเองไปเองนะดูอย่างนั้นได้ภพอนาถูกนะพอวนาได้ดนะีชียวล่ะครับมีอยู่หนึ่งคำถามอยากจะถามอาจารย์ครับเป็นคนโทสะจริตนะครับอืมดีโทสะจริตหลวงพ่อชอบนะเพราะว่าพวกโทสะกล้าเนี่ยปัญญาจะกล้าด้วย บางทีเวลาภาวนาไปบางทีล่วงเกินคุณพระศรีนาตนาไตยครับไม่ดีให้ขอเข้ามาซะ <c oughs> ครับลูกก็เลยอยากจะขอเข้ามาต่อคุณพระศรีนาตนาตยครับโดยการ <c oughs> ด้วยวาจาด้วยใจที่ลูกได้คิดประมาล่วงเกินต่อคุณพระศรีนาตนาตยลูกขอขอมาครับอ่ะดีแล้วล่ะแล้วเราก็สํารวมระวังเราค่อยสังเกตนะการล่วงเกินพระเนี่ยมันมีสองลักษณะ ลักษณะหนึ่งนะอยู่จิตมันก็แวบไปเองเราไม่ได้จงใจเลยเราไม่ได้คิดได้นึกเลยมันปรามาสของมันไปเองอย่างนี้มีผลน้อยนะกรรมของเราไม่เต็มที่เพราะว่าขาดเจตนาแต่ถ้าเราจงใจคิดเนี่ยอันเนี้ยกรรมมันจะแรงนะโดยเจตนานะถ้ามันเป็นแวบขึ้นมาเองนี่เป็นกรรมเบาบางครับอย่าบางทีมันจิตมันแวบเข้าไปเองเห็นอืมรรสมามันก็ คิดไปคื อ, อ <c oughs> ทีดไปเองครับบางทีมานก็แกล้งนะมานมันแผ่พลังงานเข้าครอบความคิดเราครอบจิตใจเราให้ปรามาดพระรัตนตรัยก็มีอันะอนั้นมานก็เฉลีย่ยเวีนเฉลี่ยกรรมไปด้วยแหลนะถ้ามันเป็นเองเนี่ยไม่ต้องตกใจนะถ้นึกขอขมาท่านซะนะมันห้ามไม่ได้จิตมันจะทำงานอย่างนั้น หลวงพ่อนะเป็นคนที่เคารพพระรัตนตรัยมากนะเคารพครูบาอาจารย์มากเลยยังมีวันหนึ่งเลยนะไปกโกรโหลวงพูเทศนะวันนั้นนะ่ะอยู่นั่งอยู่กับท่านแ้มีคนมาซักท่านถามโน้นถาม น, น, ามนี่ไปเรื่อยถามก็มาถามนี่แหละแต่เราดูออกว่ามันแกล้งถามครูบาอาจารย์ก็เหนื่อยเหนื่อยนะเราสงสารท่านมากเลยในใจก็นึกนะว่าอย่าไปตอบมันเลยมันแกล้งถาม แล้วเสร็จแล้วก็ชักหงุดหงิดนะท่านทนตอบไปทาไมไปโมโหท่านนะโมโหเพราะว่ารักมากนั่นแหละกรุณาเนี่ยพลิกเป็นโทสะนะพอเห็นนะ่ตกใจเหมือนกันพอเข้าไปแล้วท่านก็บอกว่าว่าต้องพูดอนะ่ะงั้นเดี๋ยวเขาโกรธเขาบาปมากกว่านี้อีกดูใจของท่า น, นเราฟังแล้วสะเทือนใจของเราเนี่ยคับแค บ, บ, บห่วงแต่อาจารย์ในขณะที่อาจารย์เนะีเต็ไมไปด้วยความเมตตากลัวเขาบาป ยอมเหนื่อยนะยอมตอบแล้วตอบอีกนะยอมเหนื่อยได้เรียนสิ่งที่ดีงามจากท่านนะอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์นะมันอยู่กับไฟได้ทั้งแสงสว่างนะ <c oughs> ซุ้มซ่ามาไฟไม้บ้านของคุณอนะภาวนาได้ดีนะพิทาเอาอย่าไปเพ่งก็แล้วกันเวลามีตัวรู้แล้วอย่าให้มันแข็งอย่าไปรักษาจนมันแข็ง แข็งเกินมาสการหลวงพ่อครับก็คือตอนนี้ผมเจริญสตินะครับรู้ก็เริ่เริ่มเริ่มรู้รู้ตัวมากขึ้นนะครับคือนี้ใ<ม>จจะถาว่าพอถึง ข, ข, ข, ข, ข, ขั้นจเจริญปัญญาเนี่ยครับก็คือให้ให้บอกว่าให้รู้สึกเอาถึงความไม่เที่ยงอย่างนั้นใช่ไหมครับก็คือตอนนี้ผมพิจารณาลมหายใจเขาออกอยู่ครับก็คือให้ใ ห, ให้พิจารณาว่ามันออกมันเข้ามันก็ไม่เที่ยงรู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมครับนั่นไว้สําหรับเด็กหัดใหม่นะ ทำอย่างนี้เลยเห็นแม่ร่างกายกับจิตเป็นโคนละอัอก็บางครั้งก็เห็นบางครั้งไม่เห็นแต่มรเริ่มเห็นได้แล้วละ่ะขันมันเริ่มแยกแล้วนะเราก็หายใจไปนะเห็นร่างกายทั้งตัวเนี่ยละมันหายใจใจเราไปแค่คนดูมันไม่ใช่เราหรอกนะมันจะรู้สึกขึ้นมาเลยว่าร่างกายกับใจเป็นคนาะนถ้ารู้สึกอย่างนี้นะมันจะรู้สึกร่างกายไม่ใช่เราไปเลยนะไม่ต้องไปนั่งคิดเอาแต่ถ้ามันไม่เห็นจริงๆก็คิดพิจารณาว่าไม่เที่ยงอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ตรงที่คิดพิจารณา ย, ยัางไม่ขึ้นมิปัสนาจริงต้องเห็นใช่ไหมครับต้องเห็นมิปัสนาแปลว่าเห็นนะครับปสบัสนะการเห็นครับกับรู้สึกนี่คืออันเดียวกันใช่ไหมครับบางทีอันเดียวกันอันเดียวกันครับเราเห็นด้วยใจบางทีก็รู้สึกว่าบางที ม, มันเดินมันเคลื่อนไปไอตัวเนี้ยมันเคลื่อนไหวเห็นไหมมันไปยักหน้ามันขยับแต่เราไม่ทําใจทือๆนะกลับนวัสการมครับหลวงพ่อผมมีโอกาสได้มา กลับหลวงพ่อครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับอมืมาจากไหน อ, อผมมาจากกรุงเทพครับอืเคยฝึกพุโทโธมาบ้างนะครับ อ, อพุโทโธดีนะแล้วก็มีโอกาสได้ฟังซีดีธรรมะของหลวงพ่ อ, อ, อก็พยายามเฝกอยู่นะครับช่วงแรกที่ฝึกนะครับหลวงพ่อจิตเป็นติตที่ความสุขครับอือช่วงแรกหาจิตไม่เจอครับอือใช้เวลาพยายามอยู่นานครับใอทีอ่สุดก็าหาจิตเจ อ, เ อ, อปัจจุบันนะครับหลวงพ่อ เป็นจะไปติดว่างๆสบายๆอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับหลโอ้ดีที่รู้ทันนะตัวนี้ส่วนใหญ่ไปติดแล้วไม่เห็นหรอกแต่นี้พอนะกําหนดจิตรู้เขาก็กลับมานะครับหลวงพอ่ อ, อ, อ, อแต่แป๊บเดียวครับพอระเเผอปุ๊บเขาก็ไปแล้วหลวงพอ่อมันไปหาความสุขมันไปว่างๆมันสะแบใจนะเราพยายามกลับมารู้สึกเรื่อยไหลออกไปแล้วรู้ไหลออกไปแล้วรู้นะแต่ถ้ามันไม่ยอมเข้ามาจริงๆก็ดูกายไป กลับมารู้สึกที่ร่างกายบ่อยๆเดี๋ยวพอมีกำลังนะมันจะกลับเข้ามาที่จิตได้ดีนะถ้าพระภนาจนเห็นว่าจิตไหลออกไปสว่างอยู่ข้างหน้าดีแล้วคำว่าจิตไม่ถึงฐานนี่เป็นยังไงครับหลวงพ่อนั่นแหละจินไปอยู่ข้างนอกนั่นแนะหนะหลวงู่ดูลรกจิตออกนอกนะให้รู้ทันอย่าพยายามให้ถึงฐานนะถ้าพยายามมันจะไปเป็นตัวรู้ที่แน่นเกินไปไม่ดีไม่เป็นธรรมชาติ เอาแค่รู้ทันว่าเขาไหลออกไปข้างนอกถ้ารู้ทันว่าเขาไหลอย่างนี้ยมันก็ไหลไปคิดเห็นไหมถ้าเราเห็นเขาไหลไปคิดปุ๊บเรารู้ทันมันจะเข้าฐานของมันพอดีเพราะฉนั้นเข้าฐานนี้ต้องเข้าเองอย่าไปดึงเข้ามาถ้าดึงเข้ามาเนี่ยมากไปตึงเกินไปจะค่อยรู้ทันเวลาจิตมันแฉลบไปคิดน่ยแวบไปเราก็รู้แวบแล้วเราก็รู้วิธีที่จะรู้ได้เร็วนะไม่ใช่แวบบแล้วหายไปเลยนานๆ วิธีที่จะรู้ได้เร็วก็คือต้องอยู่กับกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้นะพอมันแวกไปมันจะลืมพุโทโธลืมลมหายใจแล้วก็จะรู้สึกได้เร็วว่าหนีไปแล้วมันก็จะกลับมาเร็วนะต้องซ้อมเมานะโยมจิตโยมมันชินที่จะไปข้างนอกนะกราบขอบคุณหลวงพ่อมากครับเอาวันนี้เท่านี้ก็แล้วกันนะ